พรรษาที่43ม ก, กราคมพศ2510หลวงปู่ป่วยนะักเริ่มแต่วันที่18ม ก, กราคม2510หลวงปู่เริ่มป่วยขั้นเริ่มแรกก็เป็นไข้หวัดแต่อาการของหวัดนั้นผันแปรไปในแง่ต่างๆที่จะยังโรคอื่นๆให้แทรกซ้อนและกําเริบรุนแรงไป ต, ตามขันหนักเข้าจนฉันไม่ได้เริ่มแรกเป็นไข้หวัดใหญ่ที่ยังไม่แปรเป็นโรคอื่นๆหลายชนิดในธาตขันนั้น ท่านยังอุตสาหลงไปฉันจังหันร่วมพระเนในวัดที่นาธรรมกลองเพนได้ตามปกติในสายตาคนภายนอกก็อาจคิดว่าท่านไม่ได้เป็นอะไรนอกจากโรคชราประจำคนแก่อย่างเดียวเท่านั้นแต่เพราะโรคกำเริบแปรเป็นอย่างอื่นไปไม่มีสิ้นสุดกำลังาธาตุขันก็สุดลงทุกวันเวลาจนไม่สามารถไปฉันร่วมหมู่คณะที่ทรามได้ท่านยังยอมอดยอมทนแฝืนฉันแม้จะได้เล็กๆน้อยๆที่ก็ดีท่านเองจนฉันไม่ได้ กำลังอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดการพลิกแพลงอวัยวะจำต้องมีพระเนนคอยดูแลอุปถามตลอดเวลาข่าวคราวค ว, วามไม่สบายของหลวงปู่กระจายไปถึงไหนคลื่นมนุษย์ประชาชนพระเนนมาถึงนั้นอย่างรวดเร็วเพราะทางคนต่างมีจิตใจใฝ่ฝันยึดมั่นในองค์ท่านเป็นที่ฝากเป็นฝากตายภายในใจอย่างแนบสนิทยอยู่แล้วเมื่อทราบข่าวว่าท่านไม่สบายก็จำต้องสะเทือนใจอย่างหนักราวกับฟ้าดินถลม่มขัวหัวใจจะขาดหายไปจาก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 สำหรับอาการของท่านเมื่อขบฉันอะไรไม่ได้ถาดขันก็ยิ่งสุดลงยังเห็นได้ชัดในสา ย, สายตาทั่วไปเมื่อเรียนถามถึงความเป็นอยู่และการจากไปท่านให้เหตุผลอย่างจับใจพเพลาะมากว่าจะมีอะไรในถาดขันอันนี้จะไปเมื่อไรก็ไม่ได้วิตกวิจารณ์อะไรเสียดายมันนี่เพราะก็เห็นแต่ดินน้ําลมไฟอันเป็นส่วนผสมของธาตุรวมตัวกันอยู่เท่านั้นถ้าผู้รู้คือใจไปปราศเสียเมะไรเมื่อนั้น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 เพราะขันธสมมติขันธปัญจกเขาแบ่งไว้ต้องรับผิดชอบเขาทุกด้านทุกทางคือต้องพาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพาทายพาเปลี่ยนอิริยาบถ ท, ท่านั้นท่านี้ไม่ได้หยุดยนพ่อนคลายบ้างเลยราวกับพัดลมหมุนติ้วติ ว, ตวอยู่ถนองนั้นขึ้นชื่อว่าสมมติมันมีความสงบนิ่งอยู่เป็นปกติสุขได้เมื่อไรต้องหมุนของมันอยู่ถนองนั้นข้างนอกก็หมุนข้างในก็หมุน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 พาราหาเวปัญจากขั้นถาที่เคยเป็นบ่อแห่งน้ำตาของสัตว์โลกและของเราผู้เคยหึ ง, งหวงมันเวลานี้เราไม่ห่วงไม่ห่วงและพร้อมที่จะปล่อยวางลงตามท่าเดิมของเขาไม่ขัดไม่ขืนไม่ฝื น, นความจริงเนื่องจากเคยฝืนมาแล้วเจอแต่ทุกข์จนเข็ดหลบับอย่างถึงใจมาบัดนี้จึงไม่ฝืนปล่อยตามคติธรรมดาซึ่งเป็นทางเดินของธรรมคือความจริงอันตายตัว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 รอยทั้งรอยวิชาทุกแขนงจากคำพีกิเล ท, ที่เสียมสอนไว้ต้องเป็นวิชาลบล้างความจริงของธรรมที่แสดงไว้ทั้งสิ่งเช่นความจริงแห่งธรรมแสดงไว้ว่าตายแล้วเกิดวิชาจากคำพีของกิเลต้องสอนกลับกันว่าตายแล้วศูนย์เช่นธรรมว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีวิชาของกิเลจะปฏิเสธหรือลบล้างทันทีว่า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 จึงควรแก้ควรล้างด้วยคำพีพุทธธรรมเสีย แ, แต่บัดนี้ที่ยังมีชีวิตและเป็นการอันควรอยู่ตายแล้วหมดโอกาสจะทำได้นอกจากเสวยผลดีชั่วที่ตนเคยทำไว้เมื่อคราวเป็นมนุษย์เท่านั้นคําว่าอัตตาฮิอัตโนนาโธนั้นท่านสอนให้พึ่งตัวเองไม่หวังพึ่งใครในไตรในภพกำเนิดใดสิน้นท่านสอนให้ทาความดีเพื่อตัวเองเสียแต่บัดนี้จะอบอุ่นภายในใจทั้งยังมีชีวิตอยู่และเวลาตายไป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 ลมคลื่นกันออกมากับกระแ ส, สเสียงผู้ฟังด้วยความผู้ฟังด้วยความสนใจมุ่งต่อความจริงล้วนๆจึงสามารถตักตวงเอาธรรมของจริงขึ้นมาอย่างเตรมหัวใจไม่ขาดทุนศูนดอกจากการฟังทำแต่ละครั้งละครั้งกิเลสจะเป็นประเภทใดก็าตามแม้ฝังลึกลงคู่หัวใจเมื่อสติปัญญารมเป็นต้นเขยา่ากอกวนลวนลามอยู่ไม่หยุดยัง้งกิเลสย่อมโยกคลอนแต่ถูกถอนขึ้นมาทีละชิ้นละอันสุดท้าย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 ได้รับความลำบากทรมานปเปล่าๆเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรพอเป็นชิ้นดีแฝงมาบ้างเลยจึงหน่าอับอายความคิดขอมตัวที่ขนแต่กองทุกข์มาให้หวันดักกี่ร้อนกี่พันเรื่องจนสมองถื่อหมดกำลังที่จะทางานต่อไป